การฟังเทศฟังธรรมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งดังที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวังเอตัมมังกัลมุตตะมังการฟังธรรมตามโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะ การฟังธรรมนีนมีอนิสงส์มีผลประโยชน์อยู่ห้าประการด้วยกันคือ 1. จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ทงธรรมที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกาจัดความสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องธรรมต่างๆให้หมดไป 4. จะทำให้เกิดมีสัมมาทิฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาและ 5. จะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรม ตามโอกาสคําว่าโอกาสก็คือมีเวลาว่างเมื่อไร่ก็ควรจะฟังธรรมกันอย่าไปทําอะไรอย่างอื่นเพราะประโยชน์ที่จะได้รับนี้สู้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมไม่ได้ถ้าเปรียบกับเหมือนกับการลงทุนก็ให้ลงทุนกับบริษัทที่ มีกําไรมากอย่าไปลงทุนกับบริษัทที่มีกําไรน้อยหรือบริษัทที่ขาดทุนการฟังธรรมนี้เรียกว่าเป็นการลงทุนที่ได้กําไรมากได้ประโยชน์มากดีกว่าเอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นที่ไม่จําเป็นต้องทําการที่จะฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง5ประการนี้ ผู้ฟังก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนิ่งถ้ากายวาจาไม่สงบกายวาจาใจไม่สงบการฟังธรรมจะไม่เกิดประโยชน์ได้เต็มที่เพราอใจจะไม่ได้จดจอ่ออยู่กับการฟังธรรมอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเอาร่างกายไปทําอะไร ใจก็จะไปอยู่กับการทำงานของร่างกายถ้าไปพูดไปคุยกันใจก็จะไปอยู่กับการพูดการคุยกันถ้านั่งแล้วไม่นิ่งใจไม่นิ่งคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ใจก็จะไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมเมื่อไม่ได้อยู่กับการฟังธรรม ก็จะไม่ได้รับธรรมเข้าไปในใจจะได้ยินแต่เสียงธรรมที่ผ่านเข้ามาทางหูซ้ายแล้วก็ออกไปทางหูขวาจะไม่เข้าใจว่าได้ยินได้ฟังอะไรบ้างเลยดังนั้นถ้าอยากจะฟังให้เกิดผลประโยชน์เกิดมงคลอย่างยิ่งจาเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ กายสงบก็แปลว่าไม่เคลื่อนไหวทางร่างกายไม่ให้ทำอะไรต่างๆให้นั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆวาจาสงบก็หมายถึงไม่ให้พูดคุยกันให้นั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยกันแล้วก็ใจให้นิ่งก็คือไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ ให้ใจจดจ่ออยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวการที่มีกายวาจาใจสงบนี้เรียกว่ามีศีลมีสมาธิในการฟังธรรมกายสงบวาจาสงบนี้เรียกว่าศีลใจสงบเรียกว่าสมาธิถ้ามีศีลสมาธิเป็นภาชนะรองรับธรรมคือปัญญา ผู้ฟังก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ปัญญานี้หรือธรรมะนี่เปรียบเหมือนกับอาหารอันโอชาถ้าเราจะรับประทานอาหารเราจําเป็นจะต้องมีภาชนะใส่อาหารถ้าไม่มีภาชนะมีมือเปล่าๆ เ, เราจะไม่สามารถมีมีอาหารรับประทานได้ เวลาจะรับประทานอาหารนี้เราจะมักจะหาจานกันก่อนหาจานหาช้อนเพื่อที่เราจะได้ตักอาหารใส่จานใส่ช้อนมารับประทานฉันใดธรรมะที่เป็นรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงนี้ก็เป็นเหมือนอาหารอันโอชะการที่เราจะรับประทาน อ, นอาหารอันโอชะนี้ได้เราก็ต้อง มีภาชนะรองรับอาหารภาชนะที่จะรองรับธรรมก็คือศีลกับสมาธินั่นเองเราจึงต้องมีศีลด้วยการทำกายกับวาจาให้สงบไม่ทำอะไรไม่พูดไม่คุยกันแล้วก็ต้องมีสมาธิคือทำใจให้นิ่งไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากาลังได้ยินได้ฟังคือเรื่องของธรรมเท่านั้นแล้วอานิสงส์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอานิสงส์อันแรกคือถ้าเรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมมาก่อนเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าได้ฟังซ้าบ่อยๆ ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะหายสงสัยเกี่ยวกับเรื่องธรรมต่างๆจะมีความเห็นถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องธรรมต่างๆแล้วจิตใจจะสงบผ่องใสมีความสุขเรื่องที่เรามักจะไม่ได้ยินได้ฟังก็เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองเรื่องของตายแล้ว สูญหรือตายแล้วเกิดตายแล้วตามหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้ว่าตายแล้วไม่สูญเพราะสิ่งที่สูญนั้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเราเท่านั้นสิ่งที่สูญก็คือร่างกายร่างกายเมื่อตายไปแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ที่ตั้งเดิมของเขาที่ตั้งเดิมของร่างกายก็คือธาตุทั้งสี่นี้เอง ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มารวมตัวกันแล้วก็สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาพอร่างกายนี้หยุดหายใจธาตุทั้งสี่ก็จะแยกตัวออกจากกั น, นเวลาคนตายธาตุลมก็แยกออกมาธาตุไฟก็แยกออกมาธาตุน้ำก็แยกออกมา เหลืออยู่แต่ธาตุดินออก็จะผุพังกายเป็นดินไปนี่คือส่วนที่ศูนคือร่างกายแต่ชีวิตของพวกเรานี้ไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยร่างกายเพียงอย่างเดียวชีวิตของพวกเรามีร่างกายและมีจิตใจออมาอยู่ร่วมกันเหมือนสามีภรรยาหรือเหมือนแฝดสยาม ไปไหนจะไปด้วยกันจะติดกันร่างกายนี้ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนใจนี้ทำมาจากธาตุรู้คือผู้มีความรู้สึกนึกคิดคือใจเวลาที่เกิดมีร่างกายขึ้นมาใจก็จะมาประกบติดอยู่กับร่างกายเป็นเหมือนแฝดสยาม แต่ใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเราจึงไม่รู้จักใจและเราก็ไปคิดว่าใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย<ม>ถ้าเราไปคิดว่าใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะคิดว่าใจก็เป็นไปกับร่างกายเวลาร่างกายแก่เราก็จะคิดว่า ใจก็แก่ไปกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บใจก็จะไปคิดว่าใจเจ็บไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายใจก็จะไปคิดว่าใจนั้นตายไปกับร่างกายแต่ความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วนั้นห้ามเป็นอย่างนั้นไม่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่า ร่างกายเป็นอะไรนี้ไม่ได้ทำให้ใจเป็นไปกับร่างกายด้วยเหมือนคนสองคนที่ไม่ได้มีความ เ, าเกี่ยวข้องกันเช่นสามีภรรยาภรรยาอาจจะเป็นไม่สบายแต่สามีอาจจะสบายเพราะเป็นคนละคนกันจนันดร่างกายกับจิตใจก็เป็นคนละคนกันเป็นคนสองคน ที่มาอยู่ร่วมกันเหมือนสามีภรรยาหรือเหมือนแฝดสยามเนี่ยไหนก็ไปด้วยกันสถานภาพของร่างกายกับจิตใจก็เป็นอย่างนี้คือร่างกายนี้จะเป็นผู้คอยรับคําสั่งจากใจใจนี้เป็นผู้คอยสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่คือความจริงของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรานี้มีสองคนสองส่วนด้วยกันคนแรกก็คือร่างกายที่เราสามารถมองเห็นได้จับต้องได้แต่คนที่สองคือใจนี้เราไม่สามารถมองเห็นได้จับต้องได้ด้วยตาของร่างกาย แต่เราสามารถเห็นใจได้ด้วยตาของใจ mm hmm. การที่เราตอนนี้มองไม่เห็นใจก็เพราะว่าตาของใจของพวกเรานี้ถูกปิดเอาไว้นั่นเองใจจึงมองไม่เห็นร่างกายของใจ mm hmm. เห็นแต่ร่างกายของร่างกาย mm hmm. คือเห็นแต่กายหยาบ mm hmm. เพราะตาของกายหยาบเปิดขึ้นถ้าอยากจะเห็น ร่างกายของใจคือร่างทิพย์เราต้องปิดตาของร่างกายของกายหยามแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าใจสงบนิ่งเมื่อไหร่ใจก็จะเปิดตาในขึ้นมาใจก็จะเห็นใจเห็นผู้รู้เห็นว่าผู้รู้นี้กับใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน นี่คือสิ่งที่พวกเรายังไม่รู้กันเพราะสิ่งเหล่านี้จะรู้เห็นได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติการทำสมาธินั่งสมาธิถึงจะสามารถแยกร่างกายแยกยจิตใจออกจากกันได้ถ้าเรานั่งสมาธิจนใจรวมปล่อยวางหรือแยกออกจากร่างกาย เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละคนกันเวลาร่างกายเป็นอะไรนี้จิตใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกายเลยเป็นเพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ถูกตามความเป็นจริงของใจเท่านั้นที่ไปคิดว่าเวลาที่ร่างกายแก่ใจจะแก่ไปกับร่างกายด้วยเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะไปคิดว่า ใจก็เจ็บด้วยเวลาร่างกายตายใจก็จะไปคิดว่าใจตายด้วยแต่ถ้าเราได้แยกแยะแยกกายออกจากใจแล้วเราก็จะรู้ว่าเป็นคนละคนกันอันนี้คือสิ่งที่เราจะไม่รู้ไม่ได้ ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราไม่มาฟังทำกันหรือถ้าเราเคยฟังทำแล้วอาจจะไม่เข้าใจในครั้งแรกอาจจะต้องฟังหลายๆครั้งด้วยกันถึงจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาร่างกายกับใจนี้ถึงแม้ว่าจะมาอยู่ติดกันนะแต่ก็อยู่เหมือนอยู่กันคนละโลก ร่างกายนี้เราเรียกว่าอยู่ในโลกกธาตุโลกกธาตุก็โลกของดินน้ำลมไฟนี้เองโลกที่ร่างกายอยู่ในขณะนี้มีาธาตุทั้งสี่เป็นส่วนประกอบขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนต้องทำมาจากาธาตุสี่าธาตุดใดาธาตุหนึ่งหรือาธาตุหลายๆาธาตุมารวมกันเช่นต้นไม้ใบหญ้านี่ก็เป็น การรวมตัวของธาตุทั้งสี่ถ้าไม่มีดินไม่มีน้ําไม่มีลมไม่มีไฟต้นไม้ใบหญ้านี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เช่นไปที่ในทะเลทรายทะเลทรายนี้มีดินแต่ไม่มีน้ํามีลมมีไฟแต่ไม่มีน้ําเราจึงไม่เห็นมีต้นไม้ต่างๆ หรือถ้าไปอยู่ตามขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ที่หนาวเยน็นที่มีแต่น้ําแข็งก็มีธาตุดินมีธาตุน้ําแต่เป็นธาตุน้ําที่เป็นน้าแข็งมีมีอากาศมีลมแต่ไม่มีธาตุไฟไม่มีความร้อนต้นไม้ใบยญาก็เกิดขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้ามาอยู่ส่วนอื่นของโลก อย่างส่วนที่พวกเราอยู่กันในขณะนี้ที่มีทั้งธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟเราก็เลยมีต้นไม้ใบยญ้ามีสิงสารสัตว์มีร่างกายของสิงสารสัตว์มีร่างกายของมนุษย์สิ่งเหล่านี้ล้วนทำมาจากธาตุทั้งสี่ทั้งนั้นคือธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟ พระพุทธเจ้าจึงเรียกโลกนี้ว่าเป็นโล ก, กธาตุส่วนใจนี้เป็นธาตุรู้ไม่ได้อยู่ในโล ก, กธาตุนี้ใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์โลกทิพย์ก็คือโลกที่ไม่มีร่างกายไม่มีโลกไม่มีธาตุสี่มีแต่ธาตุรู้ธาตุเดียวเราเรียกว่าธาตุรู้นี้เป็นกายทิพย์ แต่มาเชื่อมต่อกับร่างกายด้วยกระแสของธาตรู้ที่เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณมาเกาะติดกับร่างกายแล้วก็มารับข้อมูลที่ผ่านมาทางร่างกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผธพะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายพอมีรูปมาสัมผัสกับตา วิญญาณที่เกาะติดอยู่กับตาก็จะรับรูปนี้ส่งไปให้ที่ใจให้ใจเป็นผู้รับรู้ว่ากาลังเห็นรูปอะไรเช่นเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นบิดามารดาเห็นสามีภรรยาเห็นบุตรเห็นธิดาอันนี้เกิดจากการมีตาไปสัมผัสกับรูปแล้วก็มีวิญญาณ ของใจที่มาเกาะติดกับตาที่จะรับรูปนี้ไปให้ใจใจก็จะไปดูว่าเคยเห็นรูปนี้หรือเปล่าจําได้หรือเปล่าว่าเป็นรูปของใครถ้าเคยเห็นถ้าจําได้ก็จะรู้ขึ้นมาทันทีว่าเป็นรูปของคนนั้นรูปของคนนี้แล้วพอเกิดพอรับรู้ว่าเป็นรูปของคนนั้นคนนี้ก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมา มีกิดความรู้สึกมีความสุขหรือมีความทุกข์หรือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นอยู่กับรูปที่เห็นว่าเป็นรูปที่ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบนั่นเองถ้าเห็นรูปที่ชอบจำได้ว่ารูปนี้ดีเคยให้ความสุขพอเห็นก็จะเกิดความรู้สึกเกิด ค, ความสุขขึ้นมาถ้าจำได้ว่ารูปนี้ไม่ดี รูปนี้เคยให้ความทุกข์พอเจอรูปนี้เห็นรูปนี้ขึ้นมาก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาในใจทันทีแล้วพอรู้ว่ารูปนี้ดีหรือไม่ดีก็จะมีความคิดตามมาว่าแล้วจะทำอย่างไรดีถ้าเจอรูปที่ดีเจอคนที่เราลักเราชอบเราก็เดินเข้าหา ถ้าเราเจะคนที่เราไม่ชอบเราก็เดินหนีใจคือความคิดก็จะสั่งให้ร่างกายเดินเข้าหาหรือเดินหนีรูปที่ชอบหรือไม่ชอบนั้นนี่คือเรื่องของใจที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่รับข้อมูลต่างๆส่งไปให้กับใจ รับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับโผฏฐัพพะแล้วก็ส่งไปให้ใจใจก็จะไปดูว่าเป็นรูปรสเสียงกลิ่นรสแบบไหนดีหรือไม่ดีถ้าดีก็เกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาถ้าไม่ดีก็เกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าไม่ดีไม่ชัว่วก็จะรู้สึกเฉยๆขึ้นมา แล้วก็จะมีความคิดให้กระทําต่อสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้ต่อไปนี่คือใจใจนี้แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ใจไม่ได้อยู่ที่เดียวกับร่างกายอยู่คนละโรกกันเหมือนสมัยนี้เราสามารถส่งยานอวากาศขึ้นไปสำรวจดาวต่างๆได้ใน อวกาศแต่เราไม่ต้องขึ้นไปกับยานอวกาศเราติดกล้องติดเครื่องบันทึกเสียงไว้ยานอวกาศก็จะส่งภาพส่งเสียงมาให้เราที่คอยควบคุมคอยสั่งให้ยานอวกาศนั้นทำอะไรถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับยานอวกาศก็จะไม่มากระทบกับผู้ที่ควบคุมยานอวกาศ ผู้ที่สั่งให้ยาณอวากาศทําอะไรต่างๆเพราะว่าผู้ที่ควบคุมยานอวากาศนี้ไม่ได้อยู่ในยาณอวากาศอยู่ในโลกนี้อยู่บนโลกนี้แต่ติดต่อกับยาณอวากาศด้วยกระแสวิทยุนี่เองเราส่งกระแสวิทยุไปให้ยานอวากาศให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาให้ทําอะไรต่างๆให้ถ่ายรูปให้บันทึกเสียงอ ยานอวากาศพอได้ถ่ายรูปได้บันทึกเสียงก็ส่งภาพเสียงกลับมาให้เราผ่านกระแสของวิทยุนี่คือการเชื่อมต่อระหว่างผู้ควบคุมยานอวากาศคือมนุษย์อย่างพวกเรานี้อยู่ในโลกนี้แต่ยานอวากาศนั้นได้ออกไปสู่ในอวากาศอยูอ่อีกโลกหนึ่งอยู่ที่ที่ห่งางไกลจากผู้ควบคุมยานอวากาศ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับยาณอวากาศเช่นยาณอวากาศาเกิดระเบิดขึ้นมาก็ไม่ได้มาทําให้ผู้ควบคุมยานอวากาศนั้นเป็นอะไรเลยเพราะอยู่กันคนละที่ฉันใดจิตใจผู้รู้ผู้มีความรู้สึกนึกคิดนี้ก็เหมือนกับผู้คอยควบคุมร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับยาณอวากาศ ร่างกายนี้อยู่ในโล ก, กธาตุส่วนผู้ควบคุมยานาวกาศคือธาตุรู้หรือใจนี้อยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์แต่สามารถติดต่อกับร่างกายได้ด้วยการมีกระแสของวิญญาณและสังขารวิญญาณเป็นฝ่ายรับข้อมูลจากร่างกายสังขารความคิดเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ นี่คือเรื่องของร่างกายและจิตใจถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่าเป็นสองส่วนเป็นส่วนผู้ควบคุมและส่วนของผู้ที่รับคำสั่งของผู้ควบคุมอีกทีเราก็จะไปเหมาว่าผู้ควบคุมผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้อยู่ภายในร่างกายนี้ แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงพิสูจน์เห็นแล้วว่าไม่มีผู้สั่งอยู่ในร่างกายพระพุทธเจ้าเคยเปิดดูร่างกายค้นหาดูว่าผู้สั่งผู้คิดนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่เห็นมีมีแต่อาการสามสิบสองนี่คือความจริงที่พวกเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรม ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้รู้แล้วว่าเราคือผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ <seller> เป็นผู้รับรู้อะไรต่างๆที่ร่างกายไปไปรู้ไปเห็นมาร่างกายเห็นรูปได้ยินเสียงเราก็เป็นผู้รับรู้รูปเสียงที่ร่างกายได้รู้ได้เห็นมาแล้วเราก็สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรตามคำสั่งของเรา ถ้าเราเห็นรูปที่เราชอบเราก็สั่งให้ไปเอามาถ้าเห็นรูปที่เราไม่ชอบเราก็ให้ไปกำจัดมันเช่นของเสียของขยะเราก็สั่งให้ร่างกายเก็บของขยะเหล่านั้นไปทิ้งถ้าเป็นของใช้ได้เป็นของดีเราก็จะสั่งให้ร่างกายไปเก็บเอามาใช้ประโยชน์ต่อไปนี่คือเรื่องของร่างกายกับจิตใจ ที่เราต้องมาศึกษากันเพื่อที่เราจะได้หายสงสัยว่าตายแล้วศูนหรือตายแล้วไปเกิดใหม่ถ้าร่างกายตายแล้วแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละผู้ที่จะไปรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ต่อไปเหมือนกับที่ได้รับร่างกายอันนี้จากพ่อแม่ของเราในปัจจุบันนี้ ใจของเราก่อนที่จะมารับร่างกายอันนี้ใจก็เคยมีร่างกายมาก่อนแต่ร่างกายอันเก่ามันตายไปใจก็เลยไปคอยรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่พอได้พบกับพ่อแม่คนใหม่กําลังสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาใจก็ไปประกบติดอยู่กับร่างกายอันใหม่ที่เราเรียกว่ามีการปฏิสนธิ เวลาที่เชื้อของพ่อกับของแม่มารวมกันแล้วมีใจนี้มาประกบด้วยก็จะปรากฏเป็นการปฏิสนธิก็มีมการเจริญเติบโตขึ้นมานั่นเองมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเรียกว่าปฏิสนธิการจะตั้งครรภ์ได้นี้ต้องมีสามส่วนด้วยการมารวมกันส่วนของพ่อส่วนของแม่ และส่วนของดวงวิญญาณคือจิตใจมาประกอบรวมกันพารวมกันปั๊บร่างกายก็จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาภายในระยะเวลาเพียงเก้าเดือนก็จะคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็มาเจริญเติบโตต่อไปด้วยการเติมดินเติมน้ำเติมลมเติมไฟเข้าไปในร่างกายอยู่เรื่อยๆ น, ยนมก็มีทั้งดินมีทั้งน้ำ ลมก็คือลมหายใจไฟก็คือความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็น้ำก็เกิดจากน้ำที่เราดื่มเข้าไปนี่เอง mm. เมื่อดินน้ำลมไฟเข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่องร่างกายก็จะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโ mm. ตไปังกระทั่งโตเต็มที่ mm. เป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ พอจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็เริ่มนับถอยหลังเริ่มแก่ลงไปทีละเล็กทีละน้อยพอร่างกายถึงอายุ40่สกว่าถึงครึ่งทางของชีวิตการจเจริญเติบโตก็จะยุติลงหลังจากนั้นก็จะมีแต่การเสื่อมลงไปเรื่อยๆร่างกายก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆเพราะว่านี่คือธรรมชาติของร่างกาย ที่เมื่อมีการเจริญถึงขิดสูงสุดแล้วก็จะเริ่มมีการเสื่อมมีการนับถอยหลังแล้วก็จะแก่ลงไปแล้วก็เริ่มมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็จะหยุดหายใจพอร่างกายหยุดหายใจใจที่ประกบติดอยู่กับร่างกายก็แยกออกจากกันไปใจนี่แหละที่ไปต่อไปเกิดต่อไม่ได้ศูนย์ และไปอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนรกอยู่ในอบายก็ใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปการอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนรกนี้อยู่อย่างไรเราก็เห็นตัวอย่างทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าเรากําลังไปสวรรค์ไปนรกกันก็คือเวลาที่เรานอ น, อนหลับนี่เวลาที่เรานอนหลับนี้ร่างกายของเราก็เหมือนคนตายะ ตอนนั้นร่างกายนอนเฉยๆไม่ทำอะไรตอนนั้นแหละใจก็เลยต้องอยู่แบบไม่มีร่างกายอยู่แบบเหมือนคนตายแล้วใจอยู่แบบนั้นได้อยู่แบบนั้นอย่างไรก็อยู่ในสภาพของความฝันนั่นเองฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างแล้วอะไรละ่ะที่เป็นตัวที่ทำให้ฝันดีหรือฝันไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามัน ก็คือบุญหรือบาปที่เราทํากันนี่เองที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้เรามีการทําบุญกับบาปสลับกันไปสลับกันมาบางวันก็ทําบุญบางวันก็ทําบาปแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์บางทีไม่อยากจะทําบาปแต่ก็ถูกเหตุการณ์บังคับให้ทําบาปก็มีเช่นอดอยากขาดแคลนไม่มีข้าวกินต้องไปขโมยข้าวมากินอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่บีบบังคับให้ใจของเราไปทำบุญบ้างไปทำบาปบ้างเวลาเรามีเงินเยอะมีเงินเหลือใช้เราก็อยากจะแบ่งให้คนอื่นเราก็เอาไปทำบุญเวลาเงินไม่พอใช้เราก็ไปขโมยเงินคนอื่นมาใช้เราก็ทำบาปนี่คือการทำบุญทำบาปของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ แล้วพอเวลาเรานอนหลับเนี่ยบุญกับบาปก็จะเป็นตัวที่จะผลิตความฝันต่างๆให้กับเราถ้าเราฝันไม่ดีก็แสดงว่าบาปเป็นผู้ผลิตถ้าเราฝันดีเราก็เรียกว่าบุญเป็นผู้ผลิตเวลาฝันดีก็มีแต่ความสุขเราก็เปรียบว่าเป็นสวรรค์นี้เองถ้าเราฝันไม่ดีก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนใจวุ่นวายใจ เราก็เรียกว่านารกบ้างอบายบ้างนี่แหละคือเวลาที่ใจไม่มีร่างกายจะอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับแล้วฝันไปแล้วจะอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจะได้มีโอกาสได้รับร่างกายอันใหม่พอเกิดออกมาจากท้องแม่ก็จะตื่นขึ้นมาใหม่นี่นี่คือทนี่แหละคือผู้ที่ไม่สูญไปกับ ความตายของร่างกายร่างกายตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไปอยู่แบบไม่มีร่างกายอยู่แบบตอนที่นอนหลับอยู่แบบความอยู่กับความฝันต่างๆที่เกิดจากบุญหรือบาปที่ได้ทำอาไว้<ม>ถา้าทำบุญมากกว่าบาปก็จะฝันดีก็จะเรียกว่าอยู่ในสวรรค์ ถ้าบามากกว่าบุญบาปก็จะเป็นผู้ผลิตฝันไม่ดีต่างๆก็จะเรียกว่าอยู่ในอบาย yeah. การอยู่ในอบายอยู่ในสวรรค์นี้ก็คือดวงจิตดวงใจที่ไม่มีร่างกายนี่แหละแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อใหม่ถ้าอยู่ในสวรรค์เราก็เรียกดวงจิตดวงใจนี่ว่าเป็นเทพเป็นเทวดาถ้าอยู่ในอบายเราก็เรียกดวงจิตดวงใจนี่ว่าเปรต บ, บ้าง อสูรละกายบ้างนารกบ้างตามจริง ส, สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสถานภาพของจิตใจที่เปลี่ยนไปตามบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้ขณะที่มีร่างกายจิตใจก็อยู่ในระดับของมนุษย์แต่เวลานอนหลับนี่จิตใจก็จะไปอยู่ในระดับของเทพหรือของเปรตหรือของ อสูรกายหรือของนรลกขึ้นอยู่กับว่าภายในใจนั้นได้สร้างบุญได้สร้างบาปไว้มากน้อยต่างกันอย่างไรถ้าบาปมากกว่าบุญมันก็มักจะฝันร้ายถ้าบุญมากกว่าบาปก็มักจะฝันดีนี่แหละคือใจผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่ไม่สูญไปกับร่างกายผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาป ที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วผู้ที่จะไปรอรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่ไปรับรูปเสียง ก, กลิ่นรสผดพทพัพใหม่แล้วจะได้อาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัก พ, พะต่อไปเพราะการที่ใจยังกลับมาเกิดอยู่ ก็เพราะว่าใจนั้นยังมีความอยากอยู่นั่นเองความอยากนี่แหละเป็นผู้ที่ดึงให้ใจกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเรียกว่ากามตัญหาความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากเป็นใหญ่อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นคนที่มีได้รับการยกย่องสรรเสริญเยินยอ ก็เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นในสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่เดือดอยากไม่อยู่แบบทุกข์ยากลำบากนี่คือความอยากที่เรียกว่าวิภาวะตัณหา ความอยากทั้งสามนี้ถ้ายังไม่ได้รับการชำระไม่ได้รับการกำจัดให้หมดไปจากใจมันจะเป็นตัวคอยดึงใจให้ไปเกิดใหม่ให้ไปรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่แล้วก็ต้องมาเกิดแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการอยู่ต่อไปเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังวุ่นวายกันอยู่ในทุกวันนี้การมาเกิดนี้มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเพียงอย่างเดียวเลย นอกจากความสุขที่เราได้เป็นครั้งเป็นคราวนานๆทีหนึง่งส่วนใหญ่แล้วเรามักจะได้แต่เรื่องวุ่นวายใจต่างๆอยู่เรื่อยๆเพราะว่าชีวิตนี้มันต้องดิ้นรนนั่นเองการจะอยู่แบบให้สุขสบายได้นี้ก็ต้องดิ้นรนแสวงหาปัจจัยสี่ต้องมีปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าเกิดไม่สามารถหาปัจจัยสี่ได้ก็จะลาบาก ชีวิตก็เลยต้องวุ่นวายกับการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะได้อยู่รอดไปวันๆหนึ่งนะความจริงการ ม, มาเกิดจริงถ้ามองด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันไม่น่ามันมันไม่สุขเลยมันทุกข์มากกว่าสุขสุขก็นานๆานสักทีเช่นทำงานสาสิบวันทุกสาสิบวันสุขแค่วันเงินเดือนออกเท่านั้นเองพอวันนั้นเงินเดือนออกก็มีความสุขโอ้ได้เงินมา ไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรที่อยากได้พอใช้ไปวันเดียวก็หมดแล้วแล้วก็ต้องมาหาใหม่อีกสามสิบวันมาเครียดกับการทำงานมาเครียดกับการรักษางานว่าจะอยู่กับบริษันทนี้ได้นานไปทักเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีปัญหามีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวอยู่ไปได้ไม่กี่เดือนอต้องออกอีกแล้วต้องเปลี่ยนงานอีกแล้วต้องหางานใหม่อีกแล้ว นี่คือความทุกข์ต่างๆในการทำรรมาหากินนะแล้วไม่ใช่เป็นแค่ความทุกข์อย่างนี้อย่างเดียวแล้วไหนจะต้องมาทุกข์กับภัยธรรมชาติต่างๆเดี๋ยวก็เจอไฟไหม้บ้างเจอน้ําท่วมบ้างเจอพายุฝนบ้างเรายัางต้องมาเจอกับภัยทางโลกภัยอีกค่ายเจ็บเดี๋ยวร่างมีโรคระบาดเกิดขึ้นมาอีกแล้วมีเชื้อนูน้นเชื้อนี่แพร่หลาย เดี๋ยวไปติดเชื่อมาก็ดีไม่ดีก็ต้องตายไปก่อนเวลาอันควรแล้วนอกแค่นั้นยังมีภัยจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี้มีภัยจากผู้ที่ไม่หวังดีทั้งหลายผู้ที่ปรารถนาที่จะทําร้ายเราที่จะต้องการเอาผลประโยชน์จากเราก็ต้องคอยระมัดระวังคอยหวาดระแวงอยู่เรื่อยๆดงนั้นการมาเกิดนี้ถ้ามองวิเคราะห์ด้วยปัญญาแล้วจะเห็นว่า มันมีแต่ทุกข์มากกว่ามีแต่สุขนะความสุขนี่นานๆจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งส่วนใหญ่นี่มักจะเจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องราวเรื่องความวิตกกังวลอะไรต่างๆนอกจากภัยต่างๆเหล่านั้นยังมีภัยที่ติดมากับร่างกายอีกด้วยภัยที่เป็นอัตโนมัติก็คือความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย น, นี่คือการ ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดมันเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างนี้เพราะมันมีเรื่องทุกข์ให้เราต้องมาทุกข์กันถ้ามาเกิดถ้าไม่เกิดได้นี้มันดีกว่าถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีทุกข์อย่างที่ทุกข์ต่างๆที่ได้พูดให้ฟังนี้ไม่ต้องมาทุกข์กับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ต้องมาทุกข์กับภัยธรรมชาติต่างๆไม่ต้องมาทุกข์กับสิงสารสัตว์ต ances, dissoci, ่างๆ ไม่ต้องมาทุกข์กับเชื้อโรคต่างๆไม่ต้องมาทุกข์กับคนที่ไม่หวังดีต่างๆนี่ไม่ต้องว่าไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคนที่มีปัญญาก็จะไม่อยากมาเกิดกันเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์เป็นผู้มีปัญญามากหลังจากที่ได้ทรงวิเคราะห์ถึงการมาเกิดแล้ว ก็ทรงเห็นว่าการมาเกิดนี่มันเป็นทุกข์อย่ามาเกิดดีกว่าแล้วการที่จะทำให้ไม่ใจไม่มาเกิดนี้ทำอย่างไรก็ต้องหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจทั้งสามข้อนี้เองหยุดกามาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะหยุดภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นหยุดวิภวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้ได้ ถ้าหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้แล้วการกลับมาเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการทุกข์ที่เกิดจากการเกิดไม่มีการทุกข์จากการดิ้ น, นรนทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่มีความทุกข์ที่จะต้องเจอกับภัยธรรมชาติต่างๆไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดเจอกับภัยของผู้ที่ไม่หวังดีทั้งหลาย ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาถ้าสามารถกำจัดความอยากทั้งสามที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ฉลาดผู้ที่ได้สรงคนพบวิธีที่จะกำจัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้หลังจากที่พระองค์ได้กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ โดยวิธีการปฏิบัติของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ก็ทรงนำเอามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราต่อไปพวกเราถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเรามาเกิดได้อย่างไรหรือไม่รู้เสียได้ซ้ำไปว่าเราตายแล้วเรากลับมาเกิดใหม่หรือไม่ตายแล้วสูญหรือตายแล้วไม่สูญ นี่เราจะไม่มีวันรู้เลยแต่ถ้าเราได้มาพบกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เจอพระพุทธศาสนาได้อ่านหนังสือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังคําสอนจากภาษาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเรามาเกิดกันได้อย่างไร เราจะได้เรียนรู้ว่าเวลาที่ร่างกายตายไปนี้เราไม่ได้สูญไปกับร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราอยู่กับผู้รู้ผู้คิดเราอยู่กับจิตใจที่จะไปเกิดใหม่ถ้าเรายังไม่ได้กําจัดความอยากทั้งสามให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระสาวก เราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้ปฏิบัติกันและได้นามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราวิธีที่จะหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องปฏิบัติทำสามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็คือทำทานทำบุญทำทานขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลขั้นที่สามก็คือการ ภาวนาการพัฒนาจิตใจการชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความอยากทั้งสามต่างๆให้หมดไปต้องกาจัดด้วยการภาวนาเท่านั้นการรักษาศีลเป็นเพียงการเป็นเพียงแต่การห้ห า, มหามความอยากแต่ไม่ได้ทำลายความอยากการทำทานก็เป็นการห้ามความอยาก แต่ไม่ได้เป็นการทำลายความอยากให้สิ้นซากไปได้สิ่งที่จะมากําจัดความอยากให้มันสิ้นซากไปจากจิตจากใจได้ต้องเกิดจากการภาวนาที่มีสองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าส ม, มถภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิและระดับที่สองคือวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้เห็น ตายรักให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่ใจไปอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเองถ้าเห็นเป็นตายรักแล้วก็จะหยุดความอยากได้จะไม่อยากได้เพราะไม่มีใครอยากได้ความทุกข์กันแต่ใจที่ไม่มีปัญญาจะถูกความหลงหลอกให้คิดว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นเป็นสุขเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเป็นสุข ลาบยศสรรเสริญเป็นสุขกันแต่ถ้ามีปัญญาจะเห็นว่ามันไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันมีมาแล้วก็มีไปมีเกิดแล้วก็มีดับเวลามาก็ดีแต่เวลาไปนี่ไม่ดีร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันอ่านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบค้นพบว่าตายแล้วไม่สูญ ร่างกายตายไปแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไปรับผลของบุญของบาปต่อไปในรูปแบบของการอยู่แบบเหมือนกับตอนที่เรานอ น, อนหลับเนเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่มีร่างกายชั่วคราวเราปล่อยให้ร่างกายพักผ่อนแต่เรายังไปท่องเที่ยวต่อไปไปเสพไปไปประสบกับเหตุการณ์ต่อ ในรูปแบบของความฝันนี่เองฝันดีฝันร้ายถ้าทำบุญก็จะฝันดีถ้าทำบาปก็จะฝันร้ายเพอเวลาที่ร่างกายตายไปจริงๆใจก็จะอยู่ในรูปแบบของคนนอนหลับนั่นแหละใจก็จะไปเสพไปสัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาด้วยบุญหรือด้วยบาปท่าน ทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะมีแต่เหตุการณ์ดีๆปรากฏขึ้นมาเราก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆถ้ามีเหตุการณ์ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญเราก็จะฝันแต่เรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีปรากฏขึ้นมาในความฝันเราก็เรียกว่าอบายเรื่องที่ทำให้เราหิวโหยเราก็เรียกว่าเปรต เรื่องที่ทำให้เราหวาดกลัวก็เรียกว่าอสุรกายเรื่องที่ทำให้เรามีแต่ความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็เรียกว่านรกเนี่ยมันก็จะบุญหรือบาปมันก็จะทำหน้าที่ของมันไปจนกว่ามันไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้มันหยุดทำหน้าที่เราก็จะไปรับร่างกายอันใหม่ จะได้ร่างกายของมนุษย์คนใหม่เมื่อไหร่นี้ก็ไม่มีใครรู้เพราะต้องรอให้มีการผสมพันธ์กันระหว่างพ่อกับแม่ก่อนถ้ามีการผสมพันธ์กันเมื่อไหร่พ่อกับแม่มาร่วมกันเมื่อไหร่พอจิตมีโอกาสก็กจะมาประกบถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่คือมาเกิดเพราะอะไรทําให้มาเกิด ก็เพราะตัณหาความอยากทั้งสามนี้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนให้ทำได้เราก็จะหยุดความอยากกำจัดความอยากที่เป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่ได้ เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เราก็จะอยู่อีกที่หนึ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานก็คือจิตที่ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจิตที่ต้องไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเราเรียกว่านิพพานจิตอันนี้จะเป็นนิพพานขึ้นมาได้ก็ต้องกําจัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจให้ได้ ต้องกำจัดกามาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิัณฑ์ต้องกำจัดภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นความอยากได้ลาบยศสรรเสริญและวิภวตัญหาความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปอันนี้ต้องกำจัดด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาไม่มีวิธีอื่นที่จะกำจัด การหาทั้งสามนี้ได้นอกจากทานศีลภาวนาทานกับศีลนี้เป็นเหมือนผู้ช่วยลดความอยากให้เบาบางลงเพื่อที่จะทำให้การภาวนานี้เป็นไปได้อย่างสะดวกถ้าไม่มีทานไม่มีศีลมาสนับสนุนนี้การจะภาวนานี้เป็นไปได้ยากลำบากเราจึงต้องมาทำทานกันก่อนรักษาศีลกันก่นกอนแล้วค่อยมาภาวนากัน เพราะถ้าเราไม่ทำทานเราก็จะไม่เอาเวลาไปไปภาวนากันเพราะอะไรเพราะเวลาที่เรามีเงินเหลือกินเหลือใช้นี่เราจะเอาไปทำอะไรกันเราก็มักจะเอาไปเที่ยวกันเอาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกามตันหาภวะตันหานัเราก็ต้อง เราก็ต้องตัดมันให้มันเบาบางลงด้วยการทำทานถ้าอยากจะเอาเงินไปเที่ยวตามความอยากก็เอาเงินไปทำบุญทำทานแทนถ้าอยากจะเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เอาไปทำบุญทำทานแทนถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ลดการใช้เงินทองลงได้เมื่อเราไม่ใช้เงินทองมากเราก็ไม่ต้องหาเงินทองมากหาเท่าที่จำเป็น สิ่งที่เรายังต้องหาต้องดูแลอยู่ก็คือปัจจัยสี่เพื่อมาดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไปตามปกติอันนี้เรายังต้องหาเงินหาทองแต่ไม่ต้องหามากเหมือนเมื่อก่อนถ้าเราเลิกใช้เงินทองไปกับความอยากต่างๆเช่นใช้เงินทองกับการไปเที่ยวกับการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราก็จะไม่ต้องใช้เงินมาก เราก็จะไม่ต้องหาเงหาเงินมากเราก็จะได้มีเวลาไปฝึกหัดทำจิตใจให้สงบได้นั่นเองถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไปภาวนาไม่ได้เราก็ต้องมัวแต่ทรมาหากินหาเงินหาทองพอหาได้แล้วก็ต้องเอาเงินทองไปใช้อีกก็เลยจะไม่มีเวลาไปภาวนาไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมทานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ในการที่จะเปิดทางให้กับเราให้เราได้ไปอยู่วัดได้เช่น er, ถ้าเราจะเอาเงินไปเที่ยวเราก็เอาเงินไปทำบุญพ อ, อ, อเราเอาเงินไปทำบุญแล้วก็ไปวัดกันไปทำบุญที่วัดกันไปทำบุญที่วัดเราก็จะได้อยู่วัดได้เมื่อเราไปอยู่วัดเราก็จะได้มีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการภาวนาเพราะการภาวนานี้จะเป็นจะต้องหาที่สงบกายวาจาใจ ถ้าอยู่ตามบ้านอยู่ตามเมืองนี้มันจะมีแต่เรื่องที่จะมาทำให้จิตใจเราวุ่นวายมันไม่ทำให้สงบมันไม่ช่วยทำให้สงบเราเลยต้องไปหาที่ที่มันสงบที่จะช่วยทำใจของเราให้สงบให้ได้ให้เป็นสมาธิให้ได้นี่คือเรื่องของการทำทานการทำทานจะเป็นการเบริกเป็นการเปิดช่องให้เราเข้าวัดกันนั่นเอง ถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวเราก็จะไม่เข้าวัดกันเอาเงินไปช้อปปิง้งเราก็จะไปแถาศูนย์การค้ากันไปตามแหล่งท่องเที่ยวกันแต่พอเราเอาเงินไปทําบุญเราก็จะได้ไปวัดกันพอไปวัดเราก็จะได้ไปอยู่ที่ที่สงบที่เอื้อต่อการภาวนาไปอยู่ที่ละสามวันห้าวันบ้างเจวันบ้างแล้วแต่โอกาสมีเวลาว่างวันไหนก็เอาเงินไปวัดกัน อย่าเอาเงินไปเที่ยวกันถ้าเอาเงินไปเที่ยวแล้วจะต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็เอาไปเที่ยวหมดก็จะไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดได้แต่ถ้าเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญที่วัดเราก็จะได้ไปอยู่วัดได้แล้วเราก็จะไม่ต้องใช้เงินมากเพราะว่าเงินที่ใช้กับการไปเที่ยวนี้มันจะมากกว่าเงินที่เราไปทาบุญ เราก็ไม่ต้องทํางานมากเราก็จะมีเวลาว่างมากมีเวลาที่จะเข้าวัดได้บ่อยขึ้นได้มากขึ้นนนี่แหละคือความจําเป็นทําไมเราต้องทําบุญทําทานกันเพื่อเปิดประตูวัดนั่นเองถ้าไม่ทําบุญทําทานก็ไม่ได้เปิดประตูวัดไม่ได้เข้าวัดกันเราก็จะไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันแต่พอล้วเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี้ ไปทำบุญเราก็จะได้เปิดประตูวัดเข้าวัดกันเพราะไม่มีที่ไหนที่จะ ด, ดีกว่าการทําบุญที่วัดวนะีเพราะน่าเพราะมีประโยชน์หลายอย่างทําบุญที่วัดจะทําให้เราสนับสนุนผู้ที่เขาศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้มาถ่ายทอดมาสอนพวกเราอีกทอดหนึ่งแล้วเราก็จะได้มีสถานที่ที่เหมาะต่อการปฏิบัติภาวนานั่นเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้พวกเราที่ยังมีที่ยังใช้เงินตามความอยากต่างๆอยู่ให้เปลี่ยนวิธีการใช้เงินอยากการใช้เงินตามความอยากไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยให้เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานแทนแล้วความอยากไปเที่ยวความอยากใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็จะหายไปจะหยุดไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องใช้เงินมากไม่ต้องหาเงินมาก เราก็จะมีเวลาที่จะเข้าวัดได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วพอเรามีเวลาเข้าวัดเราก็จะได้รักษาศีลได้อย่างง่ายได้เพราะศีลที่เราต้องรักษาเพื่อสนับสนุนในการภาวนาก็คือศีลแ8ดนั่นเองถ้าไม่ศีลแปก็ต้องศีลสิบถ้าไม่ศีลสิบก็ต้องศีล2 27ถึงจะสามารถสนับสนุนการภาวนาให้ได้ไ ด, ได้ได้ผลอย่างเต็มที่ ต้องมีศีลที่ที่ดีศีลที่แข็งแรงศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่บเจ็ดนี้จะเอื้อต่อการสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วถ้าเราได้สมาธิแล้วสมาธิก็จะเอื้อต่อการสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วพอเราได้ปัญญาแล้วเราก็ปัญญาก็จะเอื้อต่อการกาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ผู้ที่จะกำจัดความอยากให้หมดสิ้น้ากไปได้นี้คือปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนศีลจะเกิดขึ้นมาได้การจะไปอยู่วัดไปถือศีลได้ก็เกิดจากการทำบุญทำทานเป็นผู้สนับสนุนนี่คือทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราทาบุญทาทานกัน ให้เราเข้าวัดรักษาศีลแปดกันหรือศีลสิบหรือศีลสองรอยี่บเจ็ดกันอย่างวันนี้ก็จะมีคนหกคนเข้ามาบวชในวัดกันก็มาถือศีลสองรอยยิบเจ็ดกันตอนต้นก็ถือศีลสิบก่อนก่อนที่จะบวชพระนี้เขาจะให้บวชเนรก่อนบวชเนรก็ให้ถือศีลสิบพอเป็นเนรแล้วถึงจะให้บวชเป็นพระต่อไปได้การบวชนี้จะมีสองขั้นตอน เรียกว่าบรรปชากับอุปสมบทอันนี้ไม่ใช่เป็นคำคำหมายอันเดียวกันคําว่าบรรปชาก็คือการบวชถือศีลสิทธิ์อุปสมบทก็คือการบวชเป็นพระถือศีลสองรอยยิบเจ็ดข้อนี่คือการเข้าวัดกันเข้าวัดพอมาบวชแล้วมาทําอะไรก็มาศึกษาวิธีภาวนาเนะี่ยเองศีลสมาธิปัญญา ศึกษาวิธีรักษาศีล227ข้อว่ารักษาอย่างไรแล้วก็ศึกษาวิธีทำจิตให้สงบทำได้อย่างไรแล้วก็มาศึกษาวิธีสอนจิตให้เกิดปัญญาว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพอเรียนรู้วิธีต่างๆเหล่านี้ก็นำเอาอไปปฏิบัติรักษาศีลให้ครบถ้วนบริบูรณ์227ข้อรือถ้าเป็นคารวะผู้คลองเรือนก็รักษา8ข้อให้ได้ แล้วก็มาฝึกจิตมาสร้างสมาธิด้วยการเจริญสติควบคุมความคิดอยู่ในทุกอิรยาบทของการเคลื่อนไหวจะควบคุมด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้จะควบคุมด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้เช่นค่อยดูว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทำอะไรกำลังยืนก็รู้ว่ากำลังยืนกาลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดิน อย่าไปยุอย่าไปรู้เรื่องอื่นให้รู้แต่เรื่องของร่างกายอย่าไปรู้ถึงเรื่องคนนั่นคนนี้ที่นั่นที่นี่ให้อยู่ที่ร่างกายตลอดเวลาเรียกว่าเป็นการสร้างสติหยุดความคิดดึงใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราดึงใจให้อยู่กับร่างกายได้เราก็จะนั่งสมาธิได้พอเรานั่งหลับตาขัดสมาธินั่งขัดสมาธิหลับตาเราก็ดูลมหายใจไปพุโทโธพุโทโธไปใจก็จะนิ่งสงบ มีความสุขเกิดขึ้นมามีอุเบกขาเกิดขึ้นมาใจตอนนั้นจะเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอเป็นใจเป็นกลางแล้วพอออกจากสมาธิมาก็เอาปัญญามาสอนใจให้อยู่เป็นกลางต่อไปเวลาเห็นอะไรก็ไม่ให้รักไม่ให้ชังเพราะว่าถ้าไปรักไปชังแล้วจะเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาต่อไป นี่เกิดการใช้ปัญญาสอนใจให้รักษาใจไม่ให้เกิดความความรักความชังความกลัวความหลงให้รักษาใจให้เป็นกลางให้สักตว่ารู้ไปตลอดเห็นอะไรก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็จะไม่มีความอยากก็จะไม่มีการมากตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาเกิดขึ้นมาเมื่อใจไม่มีตัณหาความทุกข์ที่มีในใจก็จะหายไปหมด ใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือขั้นตอนของการเข้าสู่าการปฏิบัติเข้าสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอย่างต่อเนื่องเรานี้เกิดแก่เจ็บตายกันมาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเหมือนชาตินี้ตอนนี้เราได้มาพบกับพระธรรมคําสอนแล้วถ้าเราน้อมนําเอาไปปฏิบัติได้ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้หลุดพ้นจากการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คืออา น, นิสงส์ประโยชน์ของการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจะทําทให้เราได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่ ที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับทําให้เราหายสงสัยว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่การสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายนี้มีจริงหรือไม่แล้วเราก็จะรู้จากวิธีทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนั้นหมดไปเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรต่อไปจึงขอให้ท่านจง ให้ความสำคัญต่อการฟังเทศฟังธรรมตามโอกาสมีโอกาสว่างเมื่อไหร่มีเวลาว่างเมื่อไหร่ไปศึกษาธรรมะกันดีกว่าไปฟังเทศฟังธรรมกันไปอ่านหนังสือธรรมะกันดีกว่าไปติดตามข่าวสารทางบ้านทางเมืองต่างๆติดตามแล้วทำให้ปวดหัวทำให้วุ่นวายใจไปเปล่าๆฟังธรรมแล้วใจสงบใจเย็นสบายใจฉลาดใจหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริโปเลนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิทธิตังปที่ตังตุมหังกิ ป, ปะเมวะสมิจจตุสัพเพโปเลนตุตสังกปา จันโทปนาราโสยถามณีโชติอาราโสยถาสพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิตสะนิจังวุธาปจายโน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 ถ้าไม่อยากจะขึ้นมาถามเองก็ให้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีคนติดตามเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook ทั้งหมด353คน YouTube 192คนวิทยุออนไลน์19คนพูดและฟังบนเขา123คนรวมทั้งหมด687คนครับผมถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลย มีคำถามจากบนเขานะคะขอโอกาสสอบถามปัญหาดังนี้ครับข้อที่หนึ่งต้องทำสมาธิจนถึงขั้นไหนเราถึงจะเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาได้ครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าสมาธิเราเพียงพอที่จะสามารถเริ่มพิจารณาทางปัญญาได้ครับก็ให้มันสงบได้ตลอดเวลา เข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้เวลาออกจากสมาธิมาก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็นำมามาคิดทางปัญญาได้คำถามข้อที่สองถ้าสมาธิเราสามารถเริ่มพิจารณาทางปัญญาแล้วเราควรพิจารณาในสมาธิในวงเล็บในรูปแบบเป็นหลักใช่หรือไม่ครับ หรือเราควรพิจารณาขณะ ด, ดำเนินกิจกรรมประจาวันครับออถ้าอยู่ในสมาธิเราไม่พิจารณาสมาธิเป็นที่หยุดความคิดต่างๆพิจารณาไม่ได้เวลาออกจากสมาธิมาแล้วถึงค่อยพิจารณาไม่ว่าจะทำอะไรเดินจงกรมทำงานทำการนี่ไปสัมผัสรับรู้กับอะไรก็ให้พิจารณาเรื่องเหล่านั้นว่าเป็นตายักให้หมด คำถามต่อไปจากคุณสุภักครองยุติขออนุญาตถามเจ้าค่ะเหตุใดยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งเห็นความกโกรธความหลงความโลภในจิตในใจตนเองชัดเจนเลยเจ้าคะปฏิบัติธรรมแล้วสิทธิ์จะเห็นทั้งอกุศลและกุศลเกิดแล้วก็ดับสลับกันไปค่ะถูกต้องไหมคะ ก็เรามีสติมากขึ้นเรากลับเข้ามอมองข้างในมากกว่ามองข้างนอกถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนี่เราจะไม่มองข้างในเราจะมองแต่ข้างนอกมองแต่ของนั้นสวยของนี้สวยแล้วเวลาโลภก็มองไม่เห็นความโลภแต่พอเราเริ่มปฏิบัติเราจะฝึกสติดึงจิตให้กลับเข้ามาข้างในพอเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็จะเห็นทันที แต่การเห็นนี่ยังไม่พอเพียงต้องหาวิธีไม่ทำให้มันไม่เกิดหรือถ้ามันเกิดแล้วก็ต้องหยุดมันทันทีถึงจะต้องใช้ปัญญาตั้นต่อไปเพราะเหตุที่ทำให้เกิดความโลภ ก, ก็คือความหลงความหลงก็คือการไม่มีปัญญาพอมมีปัญญาก็จะไม่โลภคือเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์แต่ยังเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสุขอยู่ก็จะเกิดความโลภขึ้นมา เราต้องพลิกเจตความสุขนั้นให้ให้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้ได้ต้องเห็นว่ามันเป็นความทุกข์อย่าไปเห็นว่ามันเป็นสุขถ้าเห็นเป็นสุขแล้วมันจะโลภจะอยากได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าเช่นแต่งงานกันแล้วเดี๋ยวสองวันเขาตายจากเราไปนี่จะแต่งไหมหรือแต่งงานกันสองวันแล้วเขาจะมาตบทุบตีเรานี้เราจะแต่งกับเขาไหมให้คิดอย่างนี้แต่เราคิดอย่างนี้แล้วไม่เอาดีกว่าไม่แต่งดีกว่า ต้องเห็นทุกที่จะตามมาเวลาที่ต้องไปอยู่ร่วมกันคําถามต่อไปจากคุณนัชา น, านันผู้หญิงทําไมพระพุทธเจ้าถึงไม่อยากให้บวชแล้วถ้าบวชแล้วไม่ได้พบกัลยาณมิตรเราควรศึกออกมาดำเนินชีวิตค า, ารวาสผู้เห็นภัยและเป็นกุศล <c oughs> กับการบวชแล้วใจไม่เป็นกุศลอย่างไรดีกว่าคะ คือกาบรบวชนี่มันมันเป็นเหมือนกับขึ้นเวทีโชควยธรรมดาผู้หญิงไม่โชควยกันมีแต่ผู้ชายโชควยกันการปฏิบัติธรรมการบรวชก็ต้องไปอยู่คนเดียวในป่าในเขาที่เปล่าเปี่ยวเดียวได้ที่มีอันตรายถ้าเป็นผู้หญิงนี่จะเป็นเป้าของมิจฉาชีพของผู้ไม่หวังดีก็จะเป็นภัยมากกว่าเป็นประโยชน์อาจจะไม่บรรลุ เพราะว่าถูกเขาจับไปเป็นทาสหรือจับเอาไปทำอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากจะบวชให้ผู้หญิงแต่เมื่อมีคนขอร้องมา ก, มากๆท่านก็อนุญาตบวชให้แต่ก็ต้องให้มีผู้ชายคอยดูแลอทอดหนึ่งคือต้องอยู่ภายใต้การปกครองของสงฆ์ของภิกษุสงฆ์ของพระอีกทีหนึ่งก่อน อันนี้ก็บวชได้แต่สมัยนี้มันหมดแล้วการจะบวชใหม่มันบวชไม่ได้แล้วเพราะการจะบวชใหม่ก็ต้องมีภิกษุณีเป็นผู้บวชให้แล้วก็มีภิกษุสงฆ์รับรองอีกชั้นหนึ่งถึงจะบวชได้ตอนนี้ไม่มีภิกษุณีที่จะมาบวชที่จะมาสอนคนบวชใหม่ว่าการอยู่แบบภิกษุณีอยู่อย่างไรถึงแม้จะมีอยู่ในตำรามันก็ไม่ละเอียดเหมือนกับคนที่มีชีวิตอยู่ งันก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยคล้ายๆว่าถ้าหมดก็ถือว่าหมดไปแม้แต่พิสษุสงส์งต่อไปถ้าไม่มีใครบวชแล้วก็จะไม่มีการบวชต่อไปใครจะมาบวชก็บวชไม่ได้แต่การไม่ได้บวชไม่ได้เป็นการตัดทางสู่พระนิพพานแต่อย่างใดการไปทางสู่พระนิพพานก็ยังมีอยู่ยังสามารถดำเนินไปได้คือมรรคแปด ทานศีลภาวนานี้เป็นทางที่ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คองเรือนที่ถ้าต้องการไปนิพพานก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันเพียงแต่ว่าการได้บวชมันจะทำให้มันสะดวกรวดเร็วกว่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนขับรถช่องทางขวามันเร็วถ้าขับรถอยู่ช่องซ้ายมันช้า ร ถ, รถที่วิ่งช่องซ้ายมักจะเป็นรถที่บรรทุกข้าวของบรรทุกผู้โดยสารมีจอดมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไปทางช่องขวานี้จะไปเป็นรถที่ไม่จอดวิ่งอย่างเดียวนักบวชนี่ก็เป็นเหมือนขับรถอยู่ในช่องขวาแต่ถ้าเป็นผู้คองเรือนก็เหมือนขับรถอยู่ในช่องซ้ายก็ไปได้เหมือนกันแต่ไปช้าหน่อยจะทันเวลา หรือไม่นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ทันเวลาตายไปเสียก่อนแต่ถ้าไปช่องขวานี้เจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีก็ถึงจุดหมายปลายทางคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์พี่สาวเคยทะเลาะกับคุณพ่อค่อนข้างแรงตอนนี้ก็ดีขึ้นมาบ้างแล้วแต่เวลาคุณพ่อป่วย หรือเข้าโรงพยาบาลพี่สาวไม่ค่อยสนใจมาดูแลหรือถามถึงอาการเลยค่ะเราควรวางใจอย่างไงดีคะที่จะไม่รู้สึกไม่ดีจากการกระทําของพี่สาวค่ะก็มองว่าจิตใจเขาไม่เหมือนเราก็แล้วกันคนเราแต่ละคนนี่มีจิตใจมีทัศนคติต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เหมือนกันบางคนรักบางคนไม่รักบางคนชัง บางคนไม่ช่างงั้นเราไปบังคับใจเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่รักพ่อก็เรื่องของเขาขอให้เราอย่าไปทำเหมือนเขาก็แล้วกันขอให้เรานำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่เราเกิดมาไม่ได้เราอยู่มาจนปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะมีพ่อมีแม่ให้กำเนิดเลี้ยงดูเรามาถ้าเราหมั่นแลลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ อยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะไม่ลืมบุญคุณเราก็จะมีความกตัญญูเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เราก็จะยินดีอยากจะทำทันทีงั้นก็ถ้าคนอื่นเขาไม่มีความกตัญญูมันก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเข า, เ อ, าอยากจะมีความกตัญญูเหมือนเราถ้าเขามาถามเราเราก็บอกให้เขาฟังไปว่าเรามีความกตัญญูเพราะอะไร ถ้าเขาฟังแล้วเขาเชื่อเขานํำมาไปปฏิบัติเขาก็อาจจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเขาไม่ถามเราเราก็อย่าไปบอกเขาเลยเพรอบอกเขาแนละ้วเดี๋ยวเขาอาจจะโกรธเราก็ได้ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมของเขากแล้วกันคําถามต่อไปจากคุณบุญเกิดไกลรักไปทําบุญที่วดัดมีพระบางองค์กินเหล้าจะได้ เป็นบุญหรือบาปคะ อ, อ๋อได้การทําบุญของเรานี่ไม่เกี่ยวกับคนรับทําบุญกับหาก็ได้บุญทําบุญกับพระกินเหล้าก็ได้บุญเพราะการทําบุญเป็นการเสียสละเป็นการเอาเงินที่จะไปใช้กับความอยากนี่มาใช้กับการทําบุญเพื่อเราจะได้มีเวลามาเข้าวัดเั้นเราก็เปลี่ยนวัดเท่านั้นเองถ้าเรารู้ว่าวัดนี้มีแต่พระเมาก็อย่าไปทําบุญ ไปหาพระที่ไม่เมาไปหาพระที่มีความรู้มีธรรมะมาสั่งสอนเราคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนามสการพระอาจารย์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับผมฟังเทศพระอาจารย์มาตลอดครับผมไม่สงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญครับเพราะมีอยู่จริงผมต้องกราบขออภัยด้วยครับถ้าไม่สมควรถามครับข้อที่หนึ่ง แต่ผมสงสัยจิตวิญญาณครับถ้าในหนึ่งคนมีจิตหนึ่งดวงแล้วถ้าอสุจิมีเป็นร้อยเป็นพันชีวิตถ้าเป็นแบบนี้ในหนึ่งคนก็มีจิตเป็นพันเป็นหมื่นดวงใช่ไหมครับไม่จริงหรอกเพราะอสุจิยังไม่มีจิตยังไม่ต้องมีการรวมตัวกับส่วนของแม่ก่อนถึงจะเกิดมีร่างกายขึ้นมาได้พอมีร่างกายถึงจะมีจิตมาเกาะ ตอนหนึ่งร่างยังต่อให้มีอสุจิอสุจิกี่ตัวมีไข่กี่ฟองมันก็ยังเป็นาธาตุเฉยๆาธาตุดินน้ําลมไฟยังไม่มีาธาตุรู้มาประกอบด้วยคําถามข้อที่สองแล้วชีวิตของอสุจิที่เกิดแล้วตายนั้นเรียกว่ามีชีวิตใหม่ครับแล้วคนทํากรรมไหนแบบไหนครับที่จะเกิดมาเป็นอสุจิครับ อ, อ๋ออสุจินี้ไม่ไ ม, ม่มีดวงวิญญาณ เหมือนต้นไม้เป็นสิ่งไม่ชีวิตแต่ไม่มีดวงวิญญาณไม่เกี่ยวกับการมาเกิดมาแก่แบบคนคนนี้มีดวงจิตดวงใจมาเกาะคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเราเจ็บป่วยตามร่างกายเราจะบริกรรมอย่างไรหรือเพ่งอย่างไรให้ความเจ็บปวดนั้นลดลงคะ เาความเจ็บปวดไม่ได้ลดลงจากการเพ่งของเราแต่อาการทุกจากการเจ็บปวดนี้มันลดลงได้ถ้าเราบริกรรมพุทโธหรือบริกรรมอนัตตาไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรามันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บแล้วความเจ็บทางใจก็จะลดทันทีคำถามต่อไปเวลาใส่บาท หรือทำบุญอื่นๆจิตวางเฉยไม่รู้สึกดีใจเพียงแค่ต้องการให้ผู้ที่ได้รับปัจจัยหรือเข้าของได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นแบบนี้จะได้บุญหรือไม่คะก็อหยื่ที่ว่าถ้าเรารู้สึกเฉยๆก็เพราะว่าเราอาจจะให้ของไม่ดีเขามันก็เลยรู้สึกเฉยๆต้องให้ของดีของที่เราชอบของที่เราให้แล้วเราเสียดาย ถ้าเราให้ของที่เรารักไปเราก็จะรู้สึกมีความสุขที่เราได้เสียสละสิ่งที่เรารักเราชอบให้กับเขาไปแต่ถ้าเราให้ของที่เราไม่ชอบเช่นให้ขยะนี่เราจะไม่มีความรู้สึกอะไร Thom เวลาเราขยะไปทิ้งนี่จะไม่มีความรู้สึกหรือให้ของเก่าคนอื่นก็ไปใช้นี่มันไม่เหมือนกับซื้อของใหม่ให้เขาความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันแต่เราซื้อเสื้อผ้าใหม่มาชุดหนึ่งแล้วพอดีเห็นขอทานไม่มีเสื้อผ้าเอายอมเสีย ชุดใหม่นี้ให้มันไปเลยเอราล้างให้ชุดใหม่กับให้ชุดเก่าที่ขาดแล้วเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหม อ, อย่างที่เราทำบุญแล้วไม่มีความรู้สึกเพราะเราทำบุญแบบไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เราให้ว่ามีคุณค่าราคาอย่างไรล้วอาจจะซื้อของแบบไม่มีราคาให้เขาไปเช่นญาติโยมบางคนชอบซื้อของที่จัดเป็นชุดๆเนี่ยสังฆทานเป็นกล่องเป็นกระแปงเนี่ย อาโยมก็ไม่รู้ว่าพ้าเอาไปใช้ได้หรือเปล่าให้แล้วก็เลยรู้สึกเฉยเฉยเราให้ในสิ่งที่เราเห็นว่าท่านเอาไปใช้ได้ประโยชน์จริงๆแล้วเรารักของนั้นจริงๆเราเสียดายเวลาให้เราก็จะเกิดความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาอย่างเราเวลาจะทำบุญให้เกิดมีความสุขจริงๆเราต้องดูที่ผู้รับว่าเขาได้รับแล้วเขามีความสุขหรือไม่ แล้วก็มีความสุขเราจะมีความสุขตามไปด้วยเช่นเราไปปล่อยนกปล่อยปลานี่เราจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าก็ได้เพราะเราถ้าเราคิดถึงว่าถ้าเราเป็นนกเป็นปลาถูกกักถูกขังอยู่แล้วได้รับอิสระเราจะรู้สึกอย่างไรอันนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกที่ที่มีความสุขขึ้นมาในใจเราว่าเราได้ช่วยให้เขามีความสุขจากการกระทาของเราคาถามต่อไป แมวตัวเมียเกิดในสถานที่เจ้าของสถานที่ไม่ต้องการให้แมวการที่เราเอาแมวไปทำหมันเพื่อรักษาชีวิตของเขาและไม่ให้มีการเกิดเราจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ได้ไปฆ่าของการทำหมันไม่ได้เป็นการฆ่าแต่อย่างใดเป็นการห้ามไม่ให้เกิดมีการเกิดเท่านั้นเอง คำถามจากคุณนโมพุทธยะกราบนมสการครับพระอาจารย์ผมขอถามครับมีบางคนเขามาบอกว่าเขารู้ความคิดของผู้อื่นแต่เขายังมีกามอยู่เลยครับแบบนี้จัดว่าเป็นพระอริยะไหมครับไม่เป็นหรอกพระอริยะนี่ต้องกําจัดกิเลสตัณหาได้การมีหูทิพตาทิพนี้มันเป็นขั้นสมาธิ ยังไม่ได้เป็นขั้นของพระอริยยังไม่กําจัดกิเลสตัณหาการมีตาทิพูทิพนี้ยังไม่ได้กําจัดความโลภความโกรธยังเป็นพระอริยะไม่ได้คําถามจากคุณอภิชาติดวงนินขออนุ ญ, ญาตถามครับการนอนหลับแล้วฝันว่าตนเองฆ่าสัตว์ทําให้สัตว์ตายแสดงว่าจิตใจของเรา ยังละบาปข้อนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วจิตใจเราจะเป็นบาปใหม่ครับมันเป็นผลสะท้อนจากบาปเก่าที่เราทําไว้เราคงเคยไปฆ่าสัตว์มาก่อนเวลาเรานอนหลับมันก็เลยฝันถึงการฆ่าสัตว์คำถามจากคุณวิชัยพระอาจารย์เจ้าคะการทำสติเมื่อมีสติสมบูรณ์ดีแล้วจะรู้สึกโล่ง และรู้สึกสดใสเหมือนมีพลังบุญถูกต้องใหม่เจ้าคะถูกต้องแล้วเวลามีสติจะทำให้ใจว่างใจสงบใจมีความสุขเวลาไม่มีสติใจจะฟุ้งจะเครียดจะคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามจากคุณจิน c o r p o r a t i ช n i n f ินโกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอกลาบเรียนถามอะไรเป็นเหตุของความประมาทครับ การไม่มีสติไงการไม่มีสติเป็นเหตุของการประมาทถ้ามีสติก็จะระมัดระวังจะทําอะไรจะระมัดระวังจะคอยดูการขึ้นการกระทําของร่างกายทุกิริยาบทนี่เรียกว่ามีสติพอไม่มีสติก็ประมาทคําถามที่สองรบควรท่านโปรดอธิบายจักขุหห้าครับกราบขอบพระคุณครับ ไม่รู้เหมือนกันนะจักขุห้าหรือแต่จักขูวิญญาณคือวิญญาณที่รับรู้รูปจักรุอาจจะอันนี้ต้องไปถาม g o o g l e ดีกว่าไม่ไม่ได้ศึกษาคำถามต่อไปจากคุณระวิวันกราบนมัสการเจ้าค่ะกราบเรียนถามว่าเวลาใส่บาทเราใส่เงินไปด้วยกับข้าวของควรหรือไม่เจ้าค่ะ ไม่ควรเพราะว่าพระรับเงินทองกลับมือไม่ได้แต่ฝากให้กับลูกศิษย์รักษาให้แทนได้ยั้นต้องแยกอย่าเอาอาหารใส่ไปในบาตรถ้ามีลูกศิษย์เดินมาด้วยก็ฝากเงินนี้ไว้แล้วบอกหลวงพ่อบอกพระให้รู้เดี๋ยวลูกศิษย์อาจจะทําเป็นลืมใบก็ได้ต้องบอกว่าขอถวายปัจจัยฝากไว้กับลูกศิษย์ะ อย่างนี้พระจะได้รู้ว่ามีการถวายเวลากลับวัดจะได้ถามลูกศิษย์ว่าได้รับเงินหรือเปล่าช่วยเก็บเงินไว้หน่อยนะเผื่อเวลาจะต้องการใช้อะไรก็จะให้ลูกศิษย์ไปซื้อให้ถ้าไม่รู้บางทีลูกศิษย์ก็ทำาลมก็เลยก็เป็นของลูกศิษย์ไปที่ญาติโยมถวายถึงให้เขียนใบบารมาีพอพระรับรับเงินเก็บเงินไว้ไม่ได้ แต่นับรับใบ ป, ปวานาได้ก็จะได้รู้ว่าญาติโยมววันนี้ถวายให้เงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวก็จะได้ไปเช็คกับลูกศิษย์ว่าเงินมาหรือเปล่าเงินตามที่เขาเขียนไว้มีมาหรือเปล่าคำถามจากคุณมิสเตอร์ไทยทูฟันทำบุญอย่างไรให้ได้อับให้ได้ผลใหญ่และได้อนิสงใหญ่อ๋อทำมากมากเลย ทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากบุญอยู่ที่การกระทาของเราอยู่ที่การเสียสละของเราถ้าเราเสียสละมากเราก็จะได้บุญมากบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจยิ่งทำมากมันก็ยิ่งสุขใจอิ่มใจมากถ้ายิ่งทำน้อยมันก็สุขใจอิ่มใจน้อยไม่เชื่อลองเปรียบเทียบดูเลยทำร้อยหนึ่งกับทำหมื่นหนึ่งดูดูว่าอันไหนมันจะสุขใจอิ่มใจกว่ากัน คำถามจากคุณ น, นัชา น, านันเคยได้ยินนักบวชพูดว่าไม่รู้สึกหรือแค่กับสิ่งใดจิตเป็นกิริยาพระอาหารหันต์นักบวชที่พูดเช่นนี้ถ้าไม่บรรลุจริงควรพูดหรือไม่เจ้าคะออถ้าไม่จริงก็พูดไม่ได้ถ้าพูดแล้วมันไม่จริงก็เท่ากับโกหกหลอกลวงก็เป็นปาราชิกต้องสึกจากการเป็นพระไปแต่ถ้าพูดตามความจริงไม่ ก็พูดได้ไม่ไม่ผิดไม่ไม่ปราชิกถ้าเป็นพระอาหารจริงแล้วบอกว่าเป็นพระอาหารก็ไม่ผิดตรงไหนแต่ถ้าไม่เป็นแล้วไปบอกว่าเป็นเรียกว่าโกหกหลอกลวงคำถามจากคุณอาร์ตศีอนุ ร, รักษ์กราบนมัมสการค่ะหากเรานั่งสมาธิด้วยจิตสงบเป็นเวลานา น, านพอสมควรในคืนนั้น มักฝันเห็นคนตายหรืออุบัติเหตุเป็นประจำเช่นนี้ยังถือเป็นความฟุงซ่านเพราะจิตยังไม่นิ่งหรือเปล่าเจ้าคะอ่าแสดงว่าจิตไม่นิ่งถ้าจิตนิ่งแล้วจะไม่ฝันค่ะคำถามจากคุณกำพลหงทองเรียมพระอาจารย์ครับทําบุญกับพระสง่งกับคนยากไร้จะได้บุญต่างกันไหมครับ บุญที่ทามันมีสองส่วนส่วนที่ไม่ต่างกันก็คือส่วนที่ความรู้สึกในใจเราทาบุญร้อยบาทกับพระกับทาบุญร้อยบาทกับโยมก็ได้ความรู้สึกเท่ากันได้ความสุขใจอิ่มใจเท่ากันเหมือนกันแต่บุญที่จะได้รับจากคนที่เราทำด้วยนี้ไม่เหมือนกันทาบุญกับพระก็ได้ธรรมะได้ฟังธรรมก็จะได้ความสุขจากการฟังธรรม ทำบุญกับคารวะญาติโยมก็อาจจะได้ฟังเรื่องการเมืองฟังแล้วก็อาจจะปวดหัวต่างกันตรงนั้นคำถามจากคุณสนิมกินเหล็กกินเลด ก, กินใจขอโอกาสครับหากเราคิดไม่ดีแต่ก็รู้ทันจะถือเป็นบาปไหมครับไม่บาปแล้วแสดงว่าสมีสติดีรู้ทันคำถามจากคุณ คนละขอบฟ้าแกราบนมัสการค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์หนูชอบฟังเทศค่ะแต่ต้องทํางานเดินไปเดินมาจะเป็นบาปไหมคะเป็นการไม่เคารพธรรมะหรือเปล่าเจ้าคะถ้าฟังด้วยหูฟังไม่มีคนอื่นเขาเห็นเราได้ยินเราก็ไม่ได้เป็นการเสียความเคารพแต่ถ้าเป็นเสียงแล้วคนอื่นเขาเห็นก็อาจจะไม่เหมาะ ควรจะนั่งเฉยๆนั่งในท่าเรียบร้อยในท่าสงบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะคนจะเห็นหรือไม่เห็นถ้าเราฟังด้วยการเคลื่อนไหวด้วยการทำงานต่างๆมันก็จะไม่ได้ผลเต็มร้อยเพราะใจเราจะแบ่งไปกับที่ทำงานกับการฟังทรมันก็จะได้ฟังแบบไม่ได้เต็มร้อยคันทำถานจากคุณบูนยังโสดกราบ ถามพระอาจารย์ครับอาชีพขายไก่สดแต่เราไม่ได้ฆ่าจะเป็นบาปไหมครับถ้าไม่ไปสั่งเขาไว่ล่วงหน้าก่อนก็ไม่บาปถ้าไปสั่งเขาก่อนว่าพรุ่งนี้จะเอาไก่สามตัวอย่างนี้บาปเพราะเขาจะต้องไปฆ่ามาให้เราแต่ถ้าเราไปที่ร้านแล้วถามเขาว่ามีไก่ไหมไก่ที่เขาขายตอนนั้นนะ่ะถ้ามีก็ซื้ออย่างนี้ไม่บาป เพราะว่าเขาข้ามาแล้วโดยที่เราไม่ได้ไปสั่งเขาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามแกรบในมัสการครับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าพวกที่มีตาทิพย์หูทิพย์นี้ไม่สามารถรู้ภูมิของพระอริยใช่ไหมครับเช่นพระโสดาบันเป็นต้นใช่ไหมครับต้องเป็นพระอริยด้วยกันถึงจะรู้ภูมิของพระอริยได้ เร่จะรู้แต่เฉพาะภูมิที่เท่ากันหรือต่ำกว่าแต่จะไม่สามารถรู้ได้ว่าภูมิที่สูงกว่ามีหรือไม่มีเพราะเรายัางไม่มีภูมินั้นที่จะไปวัดคำถามจากคุณวิชัยช่วยพระเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้บุญเยอะไหมครับก็เป็นการให้ทานการให้ทานชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมะนี่ดีกว่าการให้เงินทอง เพราะธรรมามีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าเงินทองหมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามไหมถามมาใกล้ๆหน่อ ย, ยมาเอาไมโครโฟนไปถามได้พูดใกล้ๆปากเลยขอโอกาสครับอ า, า, าจารย์ที่อาจารย์บอกว่าทำบุญมากเราถึงจะได้บุญมากต้องเป็นการทำบุญที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจ ไม่ใช่ไหมครับด้วยเช่น <Ms. c oughs> สมมติถ้าผมบอกถ้าพรจารย์ผมทําบุญสิบาทกับผมทําบุญหนึ่งร้อยบาทเนี่ยตอนที่ผมทําบุญหนึ่งรอยบาทแล้วผมยังสบายใจอยู่เนี่ยผมก็จะได้บุญมากกว่าผมทําบุญสิบบาทแต่ถ้าผมทําบุญหนึ่งหมื่นบาทแต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเลยออันนี้ก็ก็ไม่ได้บุญเมือไม่ได้บุญเอเราต้องเลือกทําบุญที่ทําให้เราสบายใจสุขใจแต่ถ้าบุญที่ทําให้เราสุขใจสบายใจมีจํานวนไม่เท่ากัน จำนวนมากกว่าย่อมมีความสุขใจมากกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสุขใจและความสามารถของเราด้วยเนาะก็ใช่มันขึ้นอยู่หลายอย่างไลยนี่เราไม่ได้พูดว่าจะต้องทําแบบไหนเราพูดโดยหลักการคนทําต้องไปเลือกทําเอาเองอย่าทําเกินตัว ท, ทําเท่าที่ทําได้เนี่ยมีหมาอีกไหมมีก็ถามต่อมีคําถามจากคุณนาวินลาบเสริมทรง นมัสการครับการมตัณหากับการมฉันทะต่างกันอย่างไรครับไม่ต่างอะ่ะมันตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านเปลี่ยนคําว่าตัณหาเป็นฉันทะฉันทะก็คือความยินดีการตัณหาก็คือความอยากมันก็ตัวเดียวกันการเหมือนกันการมคุณห้ารูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเหมือนกันหมดแล้วแหละหบดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา